ในโลกนี้มีทรัพย์สมบัติอยู่สองชนิดด้วยกันคือทรัพย์สมบัติภายในกับทรัพย์สมบัติภายนอกคำ ว, ว่าภายในและภายนอกหมายถึงภายในใจกับภายนอกของใจทรัพย์สมบัติภายนอกก็คือทรัพย์สมบัติต่างๆที่เราหามาได้ ด้วยร่างกายของเราคือวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเพชรนินจินดาอาคารต่างๆทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราสร้างกันขึ้นมาเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ชั่วคราวเป็นทรัพย์ที่ไม่ท้าวรไม่จีรังเป็นทรัพย์ที่จะต้องเสื่อมหมดไปเป็นธรรมดาดูอาณาจักรต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรโรมันอาณาจากรกรีกอาณาจากรอะไรก็ตาม ใจใหญ่โตมากน้อยเพียงไรวันเวลาผ่านไปมันก็จำรดจุดสดมเสื่อมหมดไปกรุงสุโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ชั่วคราวต่อให้สร้างกันขึ้นมาอีกกี่อาณาจักรมันก็จะเป็นแบบเดียวกัน วันเวลาจะต้องเกินกินสรรพสิ่งทั้งหลายท่านเปรียบเทียบเวลาเหมือนกับงูยักษ์งูยักษ์กที่จะเกินกินสรรพสิ่งทั้งหลายไปหมดและทรัพย์ภายนอกนี้เป็นทรัพย์ที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วสิ่งที่เราจะติดตัวไปได้ก็คือรั์ภายในรั์ภายในใจนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับที่ยังไม่ถาวรและระดับที่ถาวรการจะไปสู่รัพ์ที่ถาวร ก็ต้องผ่านทรัพย์ที่ไม่ถาวรไปก่อนแต่เป็นทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์ภายในต่างๆที่เราสร้างกันขึ้นมาในขณะนี้เวลาที่ร่างกายตายไปเราสามารถเอาติดตัวไปได้ทั้งที่เป็นทรัพย์ชั่วคราว และสัพทาวรนสัพชั่วคราวนี้เราก็เรียกว่าโลกิยศสัพท์สัพทาวรเราก็เรียกว่าโลกุตตะสัพ์หรืออริยาสัพท์สัพ์ภายในนี้แบ่งเป็นสองระดับระดับโลกิยะกับระดับโลกุตระระดับโลกิยะก็ได้แก่เทวาสัพ์พรหมสัพ์ ระดับโล ก, กุตตะละหรือระดับอริยสัพพ์ก็ได้แก่สัพพ์ของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าผู้ใดที่ได้สัพพ์ระดับโล ก, กุตตะละแล้วจะไม่มีวันสูญเสียสัพพ์เหล่านั้นไปได้โสดาบันแล้วก็จะเป็นโสดาบันไปตลอด จนกว่าจะเคลื่อนขึ้นสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์หรือขั้นพระพุทธเจ้าไปตามลําดับ <c oughs> พอถึงขั้นพระพุทธเจ้าถึงขั้นของพระอรหันตสาวกแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดเนี่ยจิตของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ ไม่ได้เสื่อมไปแับการกับเวลาต่างจากาสังเวชนียสถานสี่ในประเทศอินเดียที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่สังเวชนียสถานสีก็คือที่ประสูดที่ตัดสู้ที่แสดงพระธรรมเทศนาและที่เสด็จดับขันธ์ารินณิพานธไป สถานที่เหล่านั้นเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปจนแทบจ ะ, ะเห็นของเดิมไม่ไม่เห็นแล้วเพราะการเวลาเป็นอย่างนั้นการเวลาจะเปลี่ยนทรัพย์ต่างๆในโลกนี้ไปหรือทาให้ทรัพย์เหล่านั้นหายหมดไปและทรัพย์ภายในใจของพระพุทธเจ้า ก็ยังอยู่กับพระพุทธเจ้ามาจนบัดนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วทรัพย์อริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าทรงมีก็ยังมีต่อไป น, น, นี่คือทรัพย์สองชนิดในโลกนี้ที่เราควรที่จะมาพิจารณากันว่าเราควรที่จะหาทรัพย์แบบไหนกัน ทรัพย์ทั้งสองแบบนี้ให้ความสุขกับเราต่างกันตรงที่มันถาวรหรือไม่ถาวรและมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันทรัพย์ภายนอกนี้มีน้ำหนักน้อยกว่าทรัพย์ภายในความสุขที่ได้จากทรัพย์ภายนอกสู้ความสุขที่ได้จากทรัพย์ภายในไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสองคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีหูตาสว่างขึ้นเราจะได้เรียนรู้ว่านอกจากทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วยังมีทรัพย์ที่วิเศษกว่าที่ดีกว่าที่ เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ภายในใจของเราและเราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วซับภายนอกต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงไรในที่สุดมันก็จะต้องจากกันไปจากเราไปไม่จากกันตอนเป็นก็จะต้องจากกันตอนตาย เวลาจากกันก็เป็นเวลาที่ให้ความทุกข์ต่อใจทรัพย์ภายนอกถึงแม้จะให้ความสุขแต่มันก็ให้ความทุกข์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปหรือเวลาที่มันอยู่ในการ แก่งแย่งชิงดีกันมีข่าวข่าวมหาเศรษฐีมีทรัพย์เป็นหมื่นล้านก็ต้องมาแย่งกันระวังคนในครอบครัวแล้วความสุขที่ได้จากทรัพย์หมื่นล้านนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือลักษณะของทรัพย์ภายนอกนอกจากจะมีความสุขแล้ว มันดีคืนดีมันก็พลิกกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ทำให้เจ้าของทรัพย์นี้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ทรัพย์ภายในนี้หลับสบายว่าเป็นทรัพย์ที่ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายไม่มีใครจะมาแย่งทรัพย์ภายในใจไปได้ทรัพย์ภายในของใครก็ของเหมืน ไม่มีการมาแบ่งกันไม่มีการมาแย่งกันรับภายในจึงเป็นทรัพย์ที่ปลอดจากความทุกข์ปลอจากภัยต่างๆไม่ต้องซื้อประกันภยัยมาประกันทรัพย์มันมีประกันภัยในตัวมันมากับทรัพย์ในตัวมันมีการรับประกันภายในตัวมัน ไม่เหมือนกับทรัพย์ภายนอกนี้ต้องคอยซื้อประกันประกันไฟประกันน้าท่วมประกันแผ่นดินไว้ประกันอจอรกกรรมทรัพย์ภายนอกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความวิตกกังวลไม่มีไม่แน่นอนไม่มีที่ไหนที่จะเก็บรักษาไว้ ได้อย่างแน่นอนถ้าไม่ระมัดระวังเผลอไปวันดีคืนดีกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้ปลอมลายเซ็นแล้วนั้นก็ไปแล้วสมัยนี้นั <c> ้น <oughs> ไม่หัดปลอมลายเซ็นก็พอสมัยนี้ถ้าอยากจะหาทรัพย์ไปนอกไปปลอมลายเซ็นแล้วก็ไปสังเกตดูว่า คนที่เขียนเช็คใบนี้ลายเซ็นเป็นอย่างไรแล้วก็ไปพิมพ์เช็คมาแล้วก็ใส่ลายเซ็นเข้าไปก็สามารถเบิกเงินออกมาได้ทรัพย์ภัยนอกเป็นทรัพย์ที่ไม่แน่นอนไม่ถาวรไม่ปลอดภยัยจึงให้ความหวั่นวิตกกังวลต่อเจ้าของทรัพย์เน่ย ผู้มีทรัพย์ภายนอกนี่แทนที่จะนอนหลับฝันดีกับนอนไม่ได้บางทีวิตกกังวลห่วงทรัพย์ต่างๆนะส่วนทรัพย์ภายในนี้ผู้ใดมีแล้วนอนหลับสบายนอนหลับฝันดีไม่ฝันร้ายนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่สร้างทรัพย์ภายในขึ้นมาได้ จะเป็นผู้ที่นอนหลับฝันดีและจะปลอดภัยจากฆ่าศึกศัตรูจะไม่มีผู้ที่จะมาคอยลอบปลงชีวิตด้วยอาวุธหรือยาพิษจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาปกป้องคุ้มครองรักษาเดินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุข มีหน้าตาผ่องใสเบิกบานเวลาจะทำใจให้สงบเวลาจะนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้อย่างง่ายดายรลลวดเร็วถ้าตายไปถ้ายังไม่ได้ถึงทรัพย์ที่สูงสุดก็จะไปสู่ทรัพย์ที่ต่ำลงมาก่อนคือไปสู่เทวทรัพย์ไปสู่พรหมทรัพย์ ตามลำดับของการปฏิบัติการสร้างทรัพย์ภายในถ้าได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นว่าทรัพย์ภายนอกนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยต่อจิตใจไม่ได้ให้ความสุขอะไรมากมายกลับให้ความสุขเสียมากกว่า ทุกเพราะว่าต้องคอยดูแลรักษาทุกเพระต้องคอยหามาเพิ่มมาเติมทุกเพราะต้องคอยหว่าตะวงไม่เหมือนกับทรพัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดดังนั้นถ้าเป็นคนฉลาดก็ค <c oughs> งจะต้องหาทรัพย์ภายในกัน ไม่ไปหาทรัพย์ภายนอกนี่ยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคาสอนที่เหมาะกับคนฉลาดวินยูชนถ้าไม่เป็นวินยูชนนี้จะไม่เห็นคุณค่าของทรัพย์ภายน่อยยังจะยึดติดกับทรัพย์ภายนอกอยู่แต่ถ้าเป็นวินยูชนเป็นคนฉลาด ถ้าได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วมาชั่งน้ําหนักของประโยชน์สุขของทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายนอกก็จะต้องเลือกทรัพย์ภายในกันทรัพย์ภายในนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีการสร้างมันขึ้นมามีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในระดับ โลกิยะก่อนถึงจะสร้างทรัพย์ภายในระดับโลกุตระได้ระดับแรกของทรัพย์ภายในที่มนุษย์เราทุกคนสามารถสร้างกันขึ้นมาได้ก็เรียกว่าเทวทรัพย์ทรัพย์ของเทวดาคือสวรรค์ของระดับเทวดาของเทวโลกการที่จะไปได้ทรัพย์ของเทวโลกนี้ ก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติทำอยู่สองข้อด้วยกันคือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงไม่ทำบาปทุกชนิดเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆสุรายาเมานี้เป็นอบายามุกอย่างหนึ่ง นอกจากสุราแล้วก็มีการเล่นการพนันการเที่ยวเตร่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรและความเกียดค้านนี่คือการกระทาที่จะไม่ทําให้ผู้กระทาไปสู่เทวโลกได้ไม่สามารถที่จะครอบครองเทวสมบัติได้ ผู้ที่ต้องการที่จะครอบครองเทวสมบัติต้องละการกระทำบาปทั้งปวงถ้าไม่ละการกระทำบาป ก, ก็จะไปได้ทรัพย์ของอบายอบายนี้จะไปเรียกว่าทรัพย์ก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่ที่จะให้ความสุขเลยอบายนี้เป็นที่จะไปรับโทษเหมือนคุกตาราง ผู้ที่ทำบาปและเสพอบายามุขนี่จะมีที่ไปคืออบายสีไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเป็นไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดในนรกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าอยากจะไปสวรรค์ไปสู่เทวโลก เบื้องต้นต้องละการกระทำบาปทั้งปวนให้ได้ก่อนเพื่อปิดประต้าเพื่อปิดประตูอบายนั่นเองเพื่อจะได้ไม่ต้องไปใช้โทษในอบายพอปิดประตูอบายได้แล้วก็ต้องทาการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายใหถึงพร้อม นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เราได้ยินได้ฟังในวันมาคบบูชากันสับบาปาปะปปัสสะอากาลนังละาการกระทาบาปทั้งปวงอุสลสูปสปั้ปทาสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสาจิตตะปริโยดะปะนังชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ เอตังบุทธานศซาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกกี่พระองค์ก็ตามกี่ยุคกี่สมัยก็ตามก็จะสอนเหมือนกันหมดเพราะเป็นความจริงที่เป็นอมตะนั่นเองเป็นเหตุที่จะทาให้ผู้ปฏิบัต ได้ครอบครองทราบภายในยตั้งแต่ระดับโลกิยะขึ้นไปจนถึงระดับโล ก, กุตตระต้องผ่านการปฏิบัติธรรมสามข้อนี้และการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อปิดประตูอบายเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็อย่าไปทำบาป ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าระดับของมนุษย์ก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมบุญกุศลทุกชนิดมีบุญแบบไหนมีโอกาสทำไปเลยไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุญที่เกิดจากการาการอนุโมทนาบุญ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 นี่คือบุญกุศลชนิดต่างๆที่ผู้ที่ปรารถนาจะได้เทวทรัพย์ควรที่จะทำกันตามวาระตามโอกาสมีโอกาสมีความสามารถที่จะทำได้ให้ทำเพราะยิ่งทำยิ่งมากก็ยิ่งได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลําดับและจะได้อยู่นานยิ่งทำมากก็จะยิ่งอยู่ได้นาน ทำน้อยก็อยู่ได้น้อยอยู่ไม่นานและอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้สูงมากยิ่งทำมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับทำน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำแล้วก็อยู่นานไม่นานก็อยู่ที่ทำมากทำน้อยนี้ด้วย น, นี่คือวิธีที่เราจะสร้างทรัพย์ภายในขึ้นมา สับภายในยนี้มันจะทำให้เราได้เป็นเทพตั้งแต่ที่ร่างกายเรายัางไม่ตายแต่ใจของเรานี่จะพัฒนาจากการเป็นมนุษย์ขึ้นไปสู่เทวดาด้วยการทำบุญด้วยการทำกุศลด้วยการทำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง จึงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเองมีเทวดาคุ้มครองรักษาจะไม่มีใครปองร้ายไม่มีใครจะทำร้ายด้วยยาพิษหรืออาวุธนี่คือทรัพย์ระดับแรกถ้าอยากจะได้ทรัพย์ภายในต้องมา สร้างซั์ในระดับแรกก่อนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นเองสรับซั์ระดับแรกนี้ง่ายกว่าซับระดับที่สองที่สามตามลาดับโลกียทรับนี้มีแบ่งเป็นสามระดับด้วยกันเทวาซั์โรมารับมีแบ่งเป็นสองระดับคือรูปประพรมกับอารูปประพร์ผู้ที่สร้างเทวัพั์ได้แล้วก็จะ มีกำลังที่จะสร้างพรหมรา์ต่อไปเพราะจะต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นสีลที่เคยรักษาคือสีห้าก็จะต้องเพิ่มเป็นสีแปดแล้วก็ต้องมีการปีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังตามสถานที่สงบสงัดแล้วก็จเจริญสติ ด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่40ชนิดด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40คืออารมณ์ที่จะดึงใจให้มีสติเป็นที่ตั้งของสติถ้ามีอารมณ์เหล่านี้อยู่ภายในใจกรรมฐาน40นี้แบ่งเป็น4 3 4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าเรียกว่าอนุสติ10 อนุสติเสบนี่ได้แก่เช่นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณเ อ, อเช่นถ้าจะใช้พุทธานุสติจะสวนบทอิติปิโสไปก็ได้ออหรือจะระลึกถึง คำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจก็ได้แล้วลึกไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธหรือสวดอิติปิโสปะกวาอาลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนะสัมปโนสุขตโตโลกะวิทูอนุตตะโลภุริสัทธมัสสารทะติสัตธาเทวะมนุษยานังพุทโธปะกวาติ อันนี้เป็นบทพุทธคุณถ้าสวดตาสวาขาโตภะวตาธมโมก็จะเจริญบทธรรมคุณเรียกว่าจเจริญธรรมานุสติสังคานุสติสุปฏิพันโนแล้วก็กลับมาใหม่ไม่ใช่สวดรอบเดียวแล้วก็พอต้องสวดเรื่อยๆสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะได้พรหมรัพย์ อาจจะสวดแบบทั้งวันเลยก็ได้สลับกันถ้าไม่อยากจะสวดยาวก็สวดสั้นพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆต้องคอยทำเพื่อให้หยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดไปกับอดีตไปกับอนาคตให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้สักตวบาร้ ให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้รู้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ให้ไปอยู่กับอดีตไม่ให้ไปอยู่กับอนาคตไม่ให้ไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ถ้ามีการคิดเหล่านี้ต้องเจริญสติทันทีแสดงว่าไม่มีสติถ้าไม่มีสติจะไม่สามารถสร้างพรหมาทรัพย์ขึ้นมาได้ ผู้ที่จะได้พรหมทรัพย์ระดับรูปประพรมนี้จําเป็นจะต้องได้ฌานรูปประฌานหนึ่งถึงสี่ถึงจะได้ได้พรหมทรัพย์ระดับรูปประพรมการจะได้ฌานต่างๆนี้จําเป็นจะต้องมีสติคอยกํากับใจให้หยุดคิดให้ได้ดังนั้นนี่คือกรรมฐานสี่สิบส่วนใหญ่แล้วจะรู้เป็นพวกอนุสติ อย่างอื่นนี้เราถ้าไม่ปฏิบัติลึกเข้าไปจะไม่จาเป็นจะต้องรู้ถ้าปฏิบัติลึกเข้าไปก็อาจจะรู้เรื่องอื่นเช่นอสุภาษิสอสสุภาสิบนี่ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันที่เป็นทั้งอารมณ์ของโลกิยทรั์และเป็นโลอารมณ์ของโลกุตระทรั์ด้วยอย่างนั้น การที่มีกรรมฐานมากมายนี่ก็เพราะจริตของผู้ปฏิบัติมีมากมายแต่ละคนนี้มีความชอบมีความถนัดไม่เหมือนกันเหมือนอาหารตามร้านอาหารจึงมีอาหารมากมายบางทีเป็นรายการอาหารนี่เป็นหนังสือทั้งเล่มขึ้นมาเปิดอ่านจนปวดหัวไม่รู้จะเอากินอาหารชนิดไหนกรรมฐานก็มีสี่สิบชนิด เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปศึกษาทั้งสี่สิบชนิดถ้าเราสามารถเลือกชนิดที่เราสามารถเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เราก็เอาชนิดนั้นกุบาจานี่ท่านปฏิบัติมาท่านผานา่านมาท่านนักจะรู้จดิตของคนทั่วไปว่าส่วนใหญ่มักจะชอบพุทธานุสติกันเพราะเป็นกรรมฐานที่ง่ายและเป็นกรรมฐานที่ ถูกเจริญกับชาวพุทธเราชาวพุทธเรามีความศรัทธามีความเคารพนับถือในตัวพระพุทธเจ้ามากมเพียงแต่ละลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ทําให้ใจเราเย็นละใจสบายละส่วนใหญ่จึงสอนให้เจริญพุทธานุสติให้มันละลึกถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธเวลาที่ใจลอย เวลาที่ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้ามีพุโทโธมากำกับเดี๋ยวใจก็จะสงบใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุขการเจริญสติก็เจริญได้ทุกอิริยาบถตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นมาพอตื่นนอนขึ้นมาพอใจเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตั้งเริ่มเจริญสติเพื่อมาหยุดมัน ถ้าต้องการได้ฌานขั้นต่างๆอันนี้ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาคอยควบคุมความคิดะความคิดมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราเสียหายจริงอยู่มันอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้เราเสียหายแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราได้รับประโยชน์มากกว่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้แต่เราอยากได้ประโยชน์สุขที่มากกว่า ประโยชน์สุขที่เราได้ขณะนี้เราต้องมาหยุดความคิดให้ได้แล้วเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนความสุขต่างๆที่เราได้จากทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้เทียบไม่ได้กับความสุขที่เราจะได้รับจากการทำใจให้สงบ การทำใจให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆจะทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะเข้าสู่ความสุขเหล่านี้ได้จำเป็นที่จะต้องมีสติที่จะต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งแล้วมันจะสงบไม่ได้นี่คือขั้นตอนของ การเข้าสู่ทรัพย์ภายในระดับที่สูงขึ้นไปตามลำดับต้องเข้าไปด้วยการถือศีลแปดขึ้นไปต้องอยู่แบบนักบวชหรือเป็นนักบวชถึงจะมีเวลาที่จะสร้างทรัพย์ภายในระดับนี้ได้ผู้ที่ต้องการสร้างทรัพย์ภายในระดับนี้ต้องหยุดสร้างทรัพย์ภายนอก ไม่ไม่ควรที่จะเอาเวลาไปสร้างทรัพย์ภายนอกแล้วก็หยุดสร้างทซั์ระดับเทวซัพยบถ้าได้เทวทรัพย์แล้วก็ถ้าอยากจะขึ้นสู่พรมทรัพย์ก็ไม่ต้องไปสร้างทซับภัยสร้างทรัพย์ระดับเทวทรัพย์ให้ไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องบุญกุศลต่างๆที่เคยได้ทําไว้ เคยทําบุญแบบไหนเคยอะไรแบบไหนพักไว้ก่อนเราได้ทรัพย์ภภายในระดับเทวทรัพย์แล้วเราต้องการที่จะขึ้นสู่ระดับพรหมทรัพย์เราต้องแขวนการกระทําทรัพย์ภัยระดับเทวทรัพย์ก่อนแต่ศีลเราไม่แขวนเรากลับต้องมาเพิ่มจากศีลห้า รักการกระทำบาปทั้งปวงนี้ต้องทำต่อไปแต่เพิ่มให้มากขึ้นจากการรักษาศีลห้าก็เพิ่มเป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดแล้วแต่สถานภาพว่าจะไปอยู่ในสถานภาพแบบไหนถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นแม่ชีก็ส่วนใหญ่ก็จะถือศีลแปด แม้ที่บางท่านก็อาจจะถือศีลสิบถ้าอยู่กับวัดที่มีครูบาอาจารย์คอยควบคุมท่านก็จะให้ถือศีลสิบคือเพ่มอีกข้อหนึ่งคือไม่ให้จับเงินจับทองความจริงศีลแปดนี้มันเป็นศีลเก้าแต่มารวมกันในข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนี้ความจริงแบ่งเป็นสองข้อข้อหนึ่งก็คือไม่ให้หาความสุขจากการบันเทิงมหรศพต่างๆ อีกข้อหนึ่งคือไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายครามจริงข้อที่เจ็ดในสีนแปดนี้เป็นสองข้อแต่ทีนี้พอคัดมาจากสีนสิบเพราะว่าการไม่จับต้องเงินทองสำหรับขารวาผู้คลองเรือ น, นี้เป็นข้อที่รักษาไม่ได้เพราะขารวาผู้คลองเรือนยังจำเป็นอย่าต้องจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของ ทำมาหากินอยู่ก็เลยรักษาข้อนี้ไม่ได้ท่านก็เลยให้รักให้ให้งดข้อนี้ไปก่อนให้รักษาเก้าข้อแต่ไม่ทราบเป็นยังไงก็ไม่ชอบเลขเก้าก็เลยเปลี่ยนมาให้เป็นเลขแปดมารวมกันข้อข้อเจ็ดข้อแปดก็มารวมกันเป็นข้อเจ็ด ส่วนข้อที่เกคือการไม่นอนบนที่นั่งที่นอ น, นอันใหญ่โตอันโมโหรานอันสุขอันสบายเกินความจําเป็นอันนี้ก็ให้ระ ง, งับไปให้นอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อเพื่อจะได้ไม่นอนมากนั่นเองนอนพอประมาณนอนพอต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่จะไปนอนนี้มาสร้างทรัพย์ภายในยคือรูปประชาญทรนะศีลเลยมีหลายระดับศีลแปดก็อุบาสกอุบาสิกาแม่ชีที่บวชแล้วอยู่บ้านไม่ไปอยู่วัดนี่ก็ซื้อศีลแปดเพราะต้องไปซื้อข้าวซื้อของมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองแต่ถ้าไปอยู่วัดนี่ก็จะไม่ต้องใช้เงินทอง แม่ชีที่บวชอยู่ตามวัดนี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่จับเงินจับทองกันเพราะว่ามีอาหารของทางวัดจัดให้อยู่หรือถ้าบวชเป็นสมณีนก็ถือศีลสิบเช่นเดียวกันสมณีนี้ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่รู้จักข้อปฏิบัติต่างๆของพระก็เลยให้ถือศีลสิบไปยังไม่ต้องถือศีลสองรอยยี่บเจ็ดนะ ถ้าโตอายุยี่สิบขึ้นไปแล้วถึงจะให้บวชเป็นพระและรักษาศีลสองร้อยยีิบเจ็ดได้นะแต่ mm hmm. นี่คือศีลที่จะต้องสร้างขึ้นมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้างาทรัพย์ระดับพรหมโลกรูปรพรหมและอารประพรหมจะต้องถือศีลเหล่านี้กันเพื่อที่จะได้มีเวลานั่นเอง เพราะศีลเหล่านี้จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมอื่นๆไม่ให้ไปสังสรรค์ไม่ให้ไปงานเลี้ยงต่างๆไม่ให้ไปดูมหรสพบันเทิงต่างๆให้ไปปรีกวิเวกให้สารวมเอ็นรีตาหูจมูกลิ้นกายให้อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสที่จะคอยมายั่วยวนกวนใจให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความอยากต่างๆขึ้นมานั่นเอง นี่คือผู้ที่ต้องการได้ทราบระดับรู ป, รปภพกับอรูปภมนี้จำเป็นจะต้องถือศีลเหล่านี้แต่ควรจะงดทำกิจสร้างบุญสร้างกุศลที่มาขัดขวางการเจริญการเจริญสติถ้าเป็นกุศลที่ไม่ขัดกับการเจริญสติก็ทำได้ เช่นการฟังเทศฟังธรรมนี้ยังทำได้อยู่และควรจะทำอย่างต่อเนื่องเพราะต้องมีคำสั่งคำสอนคอยมาบอกมาคอยเตือนใจเพราะถ้าไม่มีธรรมะคอยเตือนใจมักจะลืมง่ายเดี๋ยวจะเผลอสติไปคิดเรื่องนั่นเรื่อง น, นี้แล้วลืมคำสั่งคำสอนได้เราจะทำให้ท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติได้ แต่ถ้าได้มีการฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอก็จะมีธรรมะแสงสว่างนำทางอยู่เรื่อยๆจะมีกำลังจิตกำลังใจจะไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายาการฟังธรรมนี้จึงถือว่าเป็นบุญกุศลสำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้างารั์ที่สูงกว่าเทวซับคือพมทัพับและอริยรับ จำเป็นจะต้องมีการฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแต่บุญกุศลที่ควรจะหยุดถ้าเพาะมาลบกวนการเจริญสติการภาวนาก็คือบุญที่ทำให้จิจตต้องส่งออกข้างนอกเช่นการไปตามสถานที่ต่างๆไปทำบุญแบบต่างๆที่ทำกัน แม้กระทั่งไปสังเวชนีสถานสีก็ไม่ควรไปถ้าต้องการที่จะดึงจิตเข้าข้างในดึงจิตเข้าสู่พรหมรัพย์นี่พรหมรัพย์นี้อยู่ข้างในใจไม่ได้อยู่ข้างนอกถ้าไปตามสังเวชนีสถานสีจะไม่ได้พรหมทรัพย์นะแล้วก็ไม่ว่าบุญกุศลอะไรก็ตามที่ต้องดึงให้เราออกจากการปีกวิเวกนี้ไม่ควรไป ควจะปีกวิเวกอยู่ตามลําพังไม่ว่าจะไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไปร่วมงานครูบาอาจารย์งานศพงานมันเกิดงานอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นบุญที่จะมาขวางบุญที่สูงกว่าได้บุญที่จะเกิดจากการไปปลีกวิเวกบุญที่เกิดจากการไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปเข้าฌานขั้นต่างๆ ดังนั้นผู้ที่จะไปสู่บุญที่สูงกว่าบุญระดับเทวาทรัพย์นี้จำเป็นจะต้องรู้จักว่าควรจะงดการทำบุญแบบไหนการทำบุญที่มาก่อกวนจิตใจนี้อย่าไปทำแม้แต่พระภิกษุนี่ก็ยังไม่ควรที่จะไปทาบุญที่ไปก่อกวนจิตใจของพระภิกษุ ครูบาอจารย์นี้จะคอยห้ามพระภิกษุไม่ให้ไปก่อสร้างอะไรต่างๆให้สร้างทรัพย์ภายในก่อนอย่ามัวไปสร้างทรัพย์ภายนอกอย่าไปสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรโบสถ์เจดีย์ถ้ายังไม่มีทรัพย์ภายในสร้างทรัพย์ภายในให้เสร็จก่อนแล้วถ้ามีกําลังอยากจะสร้างทรัพย์ภายนอกสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆก็สร้างได้ หรือแม้แต่ไปรับกิจนิมนต์ต่างๆเพื่อโปรดญาติโยมก็ไม่ควรไปสมัยที่อยู่กับหลวงตานี่ท่านจะไม่ให้พระออกรับกิจนิมนต์เ mm hmm. พราะว่าการออกไปแล้วเป็นการดึงใจออกข้างนอกพอออกจากวัดไปเข้าไม่เขตบ้านเขตเมืองเห็นคนเห็นอะไรต่างๆใจมันก็จะปรุงแต่งขึ้นไปตาม กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้สัมผัสรับรู้ขึ้นมาเวลากลับมาวัดแล้วมันก็ยังคิดปรุงแต่งอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ก็เรียกว่าสัญญาอารมณ์ยังติดมากับใจร่างกายกลับวัดแล้วแต่ใจยังไม่ยอมกลับใจมันเป็นพวกที่พอถูกปล่อยออกจากกงแล้วไม่อยากจะเข้ากงเหมือนนกนี่พอปล่อยให้มันออกไปแล้วนั่น กว่าจะให้มันกลับเข้ากรงได้มันต้องหิวก่อนมันต้องเหนื่อยก่อนมันถึงจะกลับมาเข้ากรงมาหาอะไรกินในกรงต่อไปการออกไปรับกิจนิมน์การไปทำกิจภายนอกนี้มันเป็นการลบกวนกิจภายในนั่นเองเอเนผู้ที่ต้องการที่จะสร้างรูปฌปานขึ้นมานี้จาเป็นที่จะต้องอรังงับกิจกรรมเหล่านี้มันเป็น โทษมากกว่าเป็นคุณมันกลายเป็นนิวรณ์ไปกลายเป็นการสร้างกามฉันทะให้เกิดขึ้นสร้างความฟุ้งซ่านให้เกิดขึ้นต่อจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองยิงไม่ควรที่จะไปทำบุญกุศลเหล่านี้แม้จะเป็นบุญกุศลแต่มันเหมาะกับผู้ที่ อ, อยู่ในระดับเทวทรัพย์เสียมากกว่า ถ้าไปสู่พรหมรัพย์นีต้องการไปเข้าฌานขั้นต่างๆจำเป็นที่จะต้องปีกวิเวกอยู่ที่สงบสงดัดห่างกกลจากเรื่องราวต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆถ้ามีกิจกรรมต้องมาทำร่วมกันในในที่อยู่ที่พักอาศัย ก็ไม่ควรที่จะคลุกคลีกันไม่ควรที่จะสนทนากันทุกคนมีหน้าที่ทาหน้าที่ของตนไปควบคู่กับการทำหน้าที่ของจิตใจคือคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งสังขารถ้าไปคุยกันแล้วมันปรุงแต่งไปยาวพูดเรื่องนั้นแล้วเด็กก็มีเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ต่อนู่งนู้นต่อพูดไปจนกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัว ดังนั้นผู้ที่อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมเวลาที่มาทากิจวัตรร่วมกันนี้มากจะไม่พูดคุยกันทุกคนจะจดจอ่อมีสติอยู่กับงานที่กำลังทาอยู่เพียงอย่างเดียว เ, ยเพื่อรักษาใจและทาหน้าที่ควบคู่ไปด้วยจึงไม่ควรคุกคีกันไม่ควรที่สนทนากันไม่ต้องมาทักทายปาสายสบายดีหรือไม่สบายดีถ้าไม่สบายคงไม่ออกมา ถ้าไม่สบายก็นอนอยู่บนเตียงของนี่มนต้องถามกันเลยแต่ต้องถามกันอยู่เลยถามเพื่อรักษาน้าใจไม่ถามเพราะอยากจะรู้หรอกพอรู้อยู่แล้วว่าสบายดีจะ่ม้ไม่สบายดีจะมาเดินได้เด้อมันไม่สบายคนไม่สบายก็นอนอยู่บนเตียงอันนี้ก็คือการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติ สร้างทรัพย์ที่สูงขึ้นไปตามลำดับต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติของทรัพย์ที่ระดับต่ำกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการสร้างทรัพย์ที่สูงกว่าได้เหมือนกับงานหยาบกับงานละเอียดนี่ถ้าผ่านงานหยาบแล้วเข้าสู่งานละเอียดแล้วไม่ควรกลับไปทำงานหยาบเพราะมันจะทำลาย งานละเอียดเช่นช่างไม้ตอนต้นเขาฟันไม้เขาใช้ขวานใช้มีดฟันไม้แต่งไม้พอเขาถึงขั้นใช้กบแล้วเขาเลิกใช้ไม้ใช้ใช้ขวานใช้มีดแล้วพอเขาถึงขั้นใช้กระดาษทรายขัดนี่เขาไม่ใช้กบละเพราะมันงานละเอียดต่างกันถ้าไปใช้ของหยาบกับงานละเอียดมันก็ทำให้งานนั้นหยาบกลับไปจิตเราก็เหมือนกัน ถ้าจิตเข้าสู่ข่านละเอียดแล้วไปเอางานหยาบมาปฏิบัติกับจิตจิตมันก็ต้องหยาบลงไปใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่างานหยาบงานละเอียดนี่เป็นอย่างไรเนี่ยหน้าที่ของเราบางทีไม่รู้หรอกเรื่องราวเหล่านี้ต่อให้อ่านพระไตรปิฎกก็ไม่เข้าใจต้องศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ถึงจะเข้าใจเพราะท่านจะคอยเป็นผู้คอย ห้ามคอยเตือนไม่ให้ไปทำงานที่ต่างกับระดับของเรางานที่เราที่ละเอียดแล้วท่านจะไม่ให้เราไปทำงานที่ยากพวกที่ท่ายังอยู่ที่งานยากท่านก็จะปล่อยให้ทำงานยากไปก่อนถ้ายังเข้าถึงงานละเอียดไม่ได้ก็ปล่อยให้ทำงานยากไปก่อนพวกที่เข้าสู่งานละเอียดได้แล้วก็จะไม่ให้ไปทำงานยากอันนี้เป็นเรื่องที่ การมีครูบาอาจารย์นี้มีคุณมีประโยชน์มากเพราะถ้าให้เรามาเป็นผู้คิดเองนี้รับรองได้ว่าจะคิดไม่ได้หรือว่ากว่าจะคิดได้ก็ต้องหลงทางไปก่อนต้องไปเห็นว่าเราไม่ไปไม่ถึงไหนเลยก็เพราะว่าเรานี่กลับลงไปทำงานที่ต่ำกว่านั่นเองไม่ทำงานที่สูงกว่า อันนี้ก็เป็นขั้นตอนถ้าอยากจะขึ้นจากเทวซั์ไปสู่พรหมทั์ที่มีสองระดับคือระดับรูปประรมกับอรูปประรมก็จำเป็นที่จะต้องมีการถือศีลแปดขึ้นไปมีการปีกวิเวกอยู่ตามลำพังมีการคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งด้วยการเจริญสติ ด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับเจริญหรือเหมาะกับสถานการณ์กรรมฐานบางอย่างนี้อาจจะใช้ได้บางเวลาบางเวลาอาจจะไม่เหมาะเช่นถ้าใช้ลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอาณาปณะสติอันนี้จะเหมาะในช่วงที่นั่งสมาธิเพราะลมเป็นของละเอียดดูยากถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการทำอะไรต่างๆ แต่ถ้านั่งเฉยๆนี่จะดูลมได้ง่ายก็ถ้าต้องการใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ก็ต้องใช้ตอนที่นั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็กำหนดดูลมที่ปลายจมูกหรือบางท่านอาจจะดูที่กลางหน้าอกก็ได้แล้วแต่จะชอบดูตรงไหนแต่ให้ดูที่จุดเดียวอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าตามเข้าตามออก เราต้องการให้จิตนิ่งจิตจะนิ่งต้องอยู่กับที่เดียวถ้าสามเข้าตามออกมันจะไม่นิ่งมันจะเหมือนยังต้องทํางานอยู่ยัให้มันอยู่ที่เดียวให้มันรู้เฉยๆให้รู้ว่าลมกําลังเข้าลมกาลังออกอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้ที่กลางหน้าอกหน้าท้องก็ได้ที่หน้าท้องก็ดูเวลาลมเข้ามันก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกมันก็จะยุบเข้าไป จะพูดคำ ก, กับว่ายุบหนอพองหนอก็ได้จะไม่พูดก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้รู้ว่าตอนนี้ยุบรู้ว่าตอนนี้พองหรือบางท่านดูลมที่ปลายจมูกก็อาจจะใช้พุทโธก็ได้คำ ก, บกับด้วยหรือที่หน้าท้องก็ได้แทนที่จะใช้ยุบหนอพองหนอก็พุทโธพุทเข้าโธออก อันนี้ก็เป็นเรื่องของจริตนิสัยของแต่ละคนแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลทําแบบไหนทําแล้วให้ใจหยุดคิดได้แบบนั้นถูกต้องทําแล้วทําให้จิตเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ก็เรียกว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องการทําสมาธินี้จึงมีหลากหลายวิธีด้วยกันมีกรรมฐานถึงสี่สิบชนิดให้ใช้ แล้วนอกจากสี่สิบชนิดนี้ยังมีการเอามาผสมมาผสมกันเช่นเอาพุทธานุสติมาผสมกับอนาปณะสติก็เป็นชนิดเพิ่มขึ้นจากสี่สิบเป็นสี่สิบเอ็ดยุบหนอพองหนอก็สี่สิบสองมมีเยอะแยะวิธีที่จะสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาแต่ขอให้เราเลือกเอาเฉพาะอันที่เหมาะสมกับเรา ถ้าเราชอบดูลมหายใจเวลานั่งแต่เวลาเราไม่ได้นั่งนี่เราต้องดูอย่างอื่นดูลมยากให้ดูร่างกายแทนให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ก็เป็นกายะกตาสติเป็นการสร้างสติด้วยการดูร่างกายร่างกายไม่ว่าจะทำอะไรใจต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลา ไม่ใช่อยู่ปับ๊บแล้วก็หายไปนู่นไปกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปที่ไหนแล้วก็กลับมาใหม่กลับไปกลับมาอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาประกบติดกับร่างกายเป็นเหมือนฝาแฝดเหมือนแฝดสยามร่างกาย ก, ากำลังกาลังทำอะไรใจต้องทาไปกับร่างกายร่างกายกำลังเดินใจก็ต้องเดินไปกับร่างกาย ร่างกายกำลังรับประทานอาหารใจก็ต้องรับประทานอาหารไปกับร่างกายอย่าไปให้ใจไปคิดเรื่องอื่นไปอยู่ที่อื่นถ้าไปอยู่ที่อื่นแสดงว่าไม่มีสติแล้วถ้าไปอยู่ที่อื่นเวลานั่งสมาธิใจจะไม่ยอมอยู่กับลมหายใจอยู่ได้หายอยู่ได้ปป๊บเดียวหายใจเข้าออกสองครั้งไปแล้วไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้แล้วอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผล ต้องให้มันอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องเวลานั่งเวลาไม่ได้นั่งก็ต้องให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทาของร่างกายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ได้ถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่ยืนและขณะที่นั่งเวลานั่งมันจะสงบได้เร็วว่ามีสติที่กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาแล้ว คือสติที่ต่อเนื่องนั่นเองสติที่ไม่หายไปสติที่หายเป็นสติล้มลุกคุกขานเวลาใหม่ๆนี้มันจะเป็นแบบเด็กเด็กนี้ก่อนที่จะเดินจะจะยืนจะเดินจะวิ่งได้นี้ก็จะล้มลุกคุกขานไปก่อนยืนขึ้นได้สองก้าวก็ล้มลงไปลุกขึ้นมาใหม่ยืนใหม่เดินไปใหม่สองก้าวก็ล้มลงไปใหม่ แต่พอฝึกไปเรื่อยๆต่อไปก็ยืนได้นานเดินได้นานเดินได้ไกลแล้วต่อไปก็วิ่งได้ออการฝึกสติ ก, ก, ก็เป็นแบบเดียวกันออตอนต้นฝึกใหม่ๆก็จะล้มลุกคุกการดูร่างกายได้สองสามวินาทีไปแล้วชะลับไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้แล้วต้องเดินกลับมาบางทีเผลออาจจะไปหลายนาทีเลยก็ได้ก็จะมารู้สึกตัวทีว่าไปทาอะไรมาเนี่ย คือกลับมาดูเหมือนกันแต่ดูแป๊บเดียวเช่นกำลังล้างหน้าก็ล้างหน้าวินาทีหนึ่งแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สามวินาทีแล้วก็กลับมาล้างหน้าอีกวินาทีหนึ่งแล้วก็กลับไปกลับมาอย่างนี้อย่างนี้คือลักษณะของจิตที่ไม่มีสติจะไม่อยู่กับที่อย่างต่อเนื่องเราจาเป็นต้องฝึกสติต้องคอยดึงให้มันเข้ามาให้อยู่กับเรื่องเดียวให้ได้ตลอดเวลา ถึงเรียกว่าเป็นสัมปะชัญญะขึ้นมาสติสัมปะชัญญะฐาตนตน้นตั้สติล้มลุกคุกขานแล้วพอเป็นสติที่ต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปะชัญญะขึ้นมาถ้ามีสติสัมปะชัญญะแล้วเวลานั่งจิตก็จะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ขั้นสี่ขั้นแรกก็เรียกว่ารูปฌปานสี่ขั้นหลังเรียกว่าอารูปฌาน จากการบําเพ็ญเพื่อให้จิตขึ้นสู่ระดับโลกุตระนี้ไม่จําเป็นต้องไปถึงขั้นระดับอรูปฌานอพอได้ขั้นรูปฌานก็สามารถที่จะไปขึ้นสู่ขั้นระดับโลกุตระคือระดับอริยสัพด้พอจิตได้บุเบขาแล้วได้ฌานขั้นที่สี่แล้วจิตก็จะมีกําลังมีความสุข ที่จะสามารถมาทดแทนความสุขที่ต้องละความสุขที่เคยหาได้จากความอยากต่างๆก็จะสามารถละความสุขแบบเก่าได้เพราะมีความสุขแบบใหม่มาทดแทนผู้ที่จะไปสู่ขั้นระดับอริยสัพน์นี้ต้องมีความสุขระดับรูปสัพบรูปภมก่อนระดับภพมาสัพ์ก่อน ถึงจะสามารถปล่อยวางทรัพย์ของระดับโลกียะทรัพย์ได้ของมนุษย์ทรัพย์ได้เพราะว่ากิเลสตัณหาที่ยังมีความอยากในทรัพย์ภายนอกยังไม่ได้ถูกทําลายจากการสร้างทรัพย์ภายในเหล่านี้ถ้าต้องการให้จิตนี้ไม่กลับมาติดอยู่กับทรัพย์ภายนอกที่ต้องมีร่างกายก็จําเป็นที่จะต้องละทรัพย์ภายนอก ความอยากหาทรัพย์ภายนอกอการจะละก็ต้องให้เห็นว่าทรัพย์ภายนอกนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทรัพย์ชั่วคราวเป็นทรัพย์ที่จะทำให้ต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ต้องมีการสูญเสียหรือเวลาที่มีการพัดพากจากกันก็จำเป็นที่จะต้องอเห็นตาลักใน ในทรัพย์ภายนอกเช่นในลาบยศสรรเสริญในความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะจะเห็นก็ต้องมีปัญญาคอยเตือนคอยสอนใจว่าทรัพย์ภายนอกรวมทั้งร่างกายนี้เป็น เ, เป็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, าต้องละทรัพย์เหล่านี้ให้ได้ถ้าเห็นว่าเป็นทรัพย์ภายในถ้าเป็นทรัพย์ที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์ และไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นสมบัติของตนไปได้ตลอดก็ต้องปล่อยวางหยุดหาทรัพย์เหล่านี้ถ้าหยุดหาได้ก็จะได้ทรัพย์ระดับอยายะทรัพย์ขึ้นไปตามลําดับนะระดับโสดาบันสกิดาคามีอานาคามีและอัลลับพะระอรหันต์นี้ต้องละความอยากที่จะหาทรัพย์หรือหาความสุขจากเอ จากขันห้าพระโสดาบันนี้ต้องหยุดการไปหาความสุขจากขันห้าต้องพิจารณาขันห้าว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระสะกิดาคามีอนาคามีก็ต้องละการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับร่างกายของผู้อื่นร่างกายของใครที่เรารักเราชอบมีความสุขเวลาที่ร่วมหลับนอนกัน ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็หงอยเหงาเศร้าว้าเววิธีที่จะทำให้เลิกได้ก็ต้องดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายให้พิจารณาอาสุภะแต่พิจารณาได้เห็นตลอดเวลาก็จะละความอยากที่จะหาความสุขจากร่างกายของผู้อื่นได้ พราะแทนที่จะเห็นว่าสวยงามกลับไปเห็นว่าไม่สวยไม่งามแล้วเพราะมีส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่เราไม่มองกันนั่นเองมองแต่ส่วนที่สวยงามก็เลยเกิดอารมณ์อยากจะได้เขามาแต่พอเห็นส่วนที่เขาไม่สวยงามก็ไม่เอาดีกว่าต้องพิจารณาอสุภะถึงจะได้ทำระดับขั้นอนาคามี แล้วถ้าอยากจะเข้าไปสู่ธรรมระดับอรหันต์ก็ต้องละธรรมที่พระอนาคามียึดตดิอาศัยให้ความสุขก็คือพระอนาคามีเมื่อปล่อยร่างกายแล้วก็ไปยึดความสงบในจิตนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขไปยึดติดกับธรรมอารมณ์ต่างๆภายในจิตก็ต้องไปพิจารณาธรรมอารมณ์ในจิตว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เหมือนกับเป็นร่างกายถึงแม้ว่าจะให้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายก็ตามแต่มันก็ยังเป็นอนิจจังอยู่มันเกิดเกิดดับดับขึ้นขึ้ น, นลงๆอยู่ถ้ายัางไปอยากยึดติดกับความสุขเหล่า น, นี้เวลามันเสื่อมก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปยึดติดกับความสุขเหล่า น, นี้เพราะปล่อยความอยาก ในความสุขในธรรมอารมณ์ได้จิตก็จะหลุดพ้นอย่างท้าวอนจะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปเพราะไม่ยึดติดกับอะไรไม่หวังอะไรจากอะไรทั้งนั้นอยู่กับอยู่กับการไม่มีความอยากนั้นดีที่สุดพอกำจัดความอยากสิ้นสุดแล้วจิตที่ไม่มีความอยากกับมีความสุขมากกว่าจิตที่ติดกับความสุขชนิดต่างๆอยอะอันนี้ก็เป็นระดับพระนิพพาน จิตที่จะปาจะจากตัณหาความอยากทั้งสามก็จะเป็นจิตที่ถาวรเป็นความสุขที่ถาวรนิบบานังปรามังสุขถังเป็นเป็นจิตของพระพุทธเจ้าเป็นทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอรหันต์นั้นกลายเป็นเท่ากลายเป็นที่เท่ากลายเป็นพระธาตุไปหมดแล้ว ตาใจของพระพุทธเจ้าใจของฝ้าหลานก็ยังเป็นนิพพานอยู่อย่างนั้นไปต่อไปแลวจะเป็นไปไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือทรัพย์ภายในที่วิเศษที่สุดคือทรัพย์ระดับอริยทรัพย์ถ้าได้ทรัพย์ระดับอริยทรัพย์แล้วจะไม่เสื่อมเป็นโสดาบันแล้วจะไม่เสื่อมลงมาเป็นปุถุชน เป็นสกิดาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบันเป็นอาณาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิดาคามีเป็นอารหารันก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นอาณาคามีจะเป็นอน า, ารหัน์ไปตลอดแต่ถ้ายังได้แค่ระดับโลกีอาซั์เช่นได้ระดับรูปภพหรืออรูปภพหรือระดับเทวโลกนี่ก็จะต้องเสื่อมลงมาตามลำดับจนมาถึงระดับของมนุษย์ แล้วต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มาสร้างทรัพย์ภายในกันใหม่อีกขึ้นๆลงๆไปอย่างนี้จนกาจะได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาสอนวิธีสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาถึงจะสามารถที่จะยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้นะนี่คือทรัพย์ต่างๆที่เราสามารถหากันได้ในโลกนี้มีอยู่สองชนิดทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายใน ก็ขอให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูว่าจะเอาอย่างไหนกันผู้ผู้สอนไม่สามารถเลือกให้ผู้ฟังได้เพราะผู้ฟังต้องเป็นผู้เลือกเองผู้สอนเป็นเหมือนคนเอาเมนูมาให้ผู้ที่มารับประทานอาหารที่ร้านต้องรอให้ผู้ที่อ่านเมนูสั่งว่าจะเอาอาหารชนิดไหนแล้วบอยก็จะไปเอาอาหารชนิดนั้นมาให้ผู้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 เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจาตุสัพเเปุเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยธามาณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวาชานตุ สัพพโรโควินาศสตุมาเตภวตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิศานิจจังวุทฒาปะจายโนจตารูธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะจากเฟ e b o o k 410ยู u b e 297วิดิโอออนไลน์24ผู้รับฟังบนเขา40รวมทั้งสิ้น771ท่านค่ะตอนนี้อาทิตย์นี้ไม่ต่ำกว่า700เลยนะต่อไปใครมีคำถามก็ถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ถ้ายังไม่มีใครก็เอาทางบ้านก่อนค่ะคำถามจะคุณหลานั่งภาวนาแล้วทุกอย่างมันหายไปจําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้กายไม่มีเวทนาไม่มีความรู้อะไรเลยเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยเราไม่รู้ตัวไม่ได้หลับแบบนี้เราภาวนาถูกหรือผิดคะถ้าไม่รู้ตัวจะไปรู้ว่าหลับหรือไม่หลับได้ยังไงถ้าไม่รู้มันก็หลับแล้วส คำถามจีกคุณวิโรธกราบเรียนถามพระอาจารย์รบกวนพระอาจารย์ขยายความเข้าใจสัญญาสังขารในขันห้าที่ว่าเป็นไตรลักษ์เป็นอย่างไรเพื่อความเข้าใจครับสัญน่คือความจำได้หมายรู้สังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งมันมันเป็นก็ว่าถามอันดีจังเหรอใช่ไหมาเป็นไตรลักษ์ว่าไปไตรลักษ์ยังไงคะ่ะ ก็มันไม่เที่ยงไงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจำไดบ้บางทีก็จำไม่ได้บางทีจำเรื่องนั้นได้จำเรื่องนี้ได้เดี๋ยวอีกสองวันจำไม่ได้แล้วนี่เนสัญญาไม่เที่ยงพอจำไม่ได้บางทีก็ทำให้ทุกเอ๊ะเอากับกุญแจไว้ตรงไหนวะจำไม่ได้ทุ ก, กเกษสิต้องไปหากุญแจาหายังไงอะ่ะก็ไม่รู้มันไว้ที่ตรงไหน เอมั uhm, นสัญญาไม่เที่ยงมันทําให้เราทุกข์สังขารก็เหมือนกันคิดเรื่องนี้บ้างคิดเรื่องดีก็ทําให้เราสุขพอคิดเรื่องไม่ดีก็ทําให้เราทุกข์พอคิดเรื่องที Rin ่ทําให้เราโกรธมัน <bridges> ก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมะพอคิดเรื่องที่ทําให้เราไม่โกรธเราก็สุขขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไตายักมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่มันไม่หายมันไม่มันไม่ได้หายเหมือนร่างกายร่างกายนี้เวลามันตายมันหายไปเลยมันกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปมันเปลี่ยนสภาพแปลสภาพไปแต่นามขันนี้ไม่หายเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยแสงหิ่งห้อยก็เห็นไหมมันก็เกิดดับเกิดดับแต่ตัวหิ่งห้อยมันก็ยังอยู่จิตก็เป็นเหมือนตัวหิ่งห้อย ส่วนนามขันนี่ก็เป็นเหมือนแสงของหินน้อยมันก็เกิดดับเกิดดับเวทนาก็สุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เปลี่ยนไปสัญญาก็เปลี่ยนไปสังขารก็เปลี่ยนไปวิญญาณรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เปลี่ยนไปตอนนี้รับรู้เรื่องเสียงเดี๋ยวเสียงหยุดไปเรื่องเสียงก็หายไปเรื่องมีเรื่องใหม่เข้ามาให้รับรู้อยู่เรื่อยๆถ้าไปยึดไปติดอยากให้มันเป็นตามใจอยากก็จะทุกข์ เพราะเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ฉนั้นให้พิจารณาขันห้าว่าอย่าไปอยากเอายินดีตามมีตามเกิด ส, สังขารขันห้ามันมันผลิตอะไรให้เราเราก็รับมันไปเราเป็นเหมือนคนดูหนังนั่งดูไปขันห้ามันจะผลิตเรื่องไหนไหมาให้เราดูเราก็ดูมันไปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะว่าเราไป อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันผลิตเรื่องนี้ไม่ถูกใจเราเราก็อยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายเราก็กุ้มใจเราอยากไปอยากให้มันเป็นรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคําถามจากคุณต <c oughs> รีชากราบนิมสการพระอาจารย์ <c oughs> โรงเรียนของลูกหนูบอกว่าลูกของหนูไม่สนใจเรียนและมีพฤติกรรมไม่ค่อยดีหนูพยายามสั่งสอนลูกแล้วเขาอายุ13ปีหนูอยากจะให้เขาเข้าใจผลถึงการกระทำของเขาหนูควรจะสอนลูกอย่างไรดีค ะ, ะก็สอนไปบอกเขาไปแต่จะให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็จะทุกข์เปล่าๆเพราะเราไม่เข้าใจขันห้าของเขาขันของเขาเป็นอย่างนี้ ขันขเขาขาดสติจะให้เขาเรียนรู้ยากเพราะใจเขาลอยไปลอยมาเลยไม่สนใจครูสอนอะไรก็ไม่สนใจไปติดอยู่กับความคิดของตนพอคิดอยากจะเล่นก็เล่นคิดอยากจะตีหัวเพื่อนก็ตีหัวเพื่อนอันนี้คือลักษณะของเด็กที่ไม่มีสติจะเรียนรู้ได้ยากกว่าเด็กที่มีสติเด็กที่มีสติก็ตั้งใจฟังครูครูสอนอะไรก็ตั้งใจฟังแล้วก็จาได้ ก็จะสามารถทำตามที่ครูสอนได้เราก็สอนบอกเขาได้แต่จะไปเปลี่ยนเขามันยากเพราะมันเป็นเรื่องของของวิบากของเขาที่เขาทำทาตัวเขาเองให้มันเป็นอย่างนี้เขาปล่อยตัวของเขาไม่ให้มีสติปล่อยให้ตัวไหลไปตามความคิดปรุงแต่งของตนเอง ก็ต้องสอนวิธีให้เขาดึงสติกลับมาสอนให้เขาค่อยๆทำอะไรทีละอย่างทำทีละอย่างสองอย่างอะไรไปต้องฝึกต้องมีการฝึกทักษะให้เด็กเช่นโรงเรียนที่สอนเด็กที่ไม่มีสติพิการทางสมองนี่เขาก็จะสอนให้เด็กหัดทำนูน่ทนทานี่ทีละอย่างไปถ้าอยู่กับบ้านกับพ่อกับแม่ก็พ่อแม่ไม่มีเวลาจะมาสอน เด็กที่เป็นพิการทางสมองนี้เดี๋ยวนี้ทางโรงเรียนเขารู้แล้วว่าขาดสติไม่รู้จักการที่จะควบคุมใจให้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้เขาก็เลยทากิจกรรมมาบังคับให้เด็กทำพาไปหัดขี่ม้าบ้างพาไปหัดว่ายน้บาบั่งไปทาอะไรบ้างสอนทีละเรื่องทีละอย่างให้เขาหัดทำไปแล้วเด็กพวกนี้ก็จะมีการพัฒนาการ เวลามาใหม่ๆเป็นเหมือนปูจับปูใส่กระดง้งไม่อยู่นั่งนิ่งเฉยๆวิ่งไปวิ่งมาแต่พอสอนไปสอนไปต่อมานั่งเฉยๆได้นะนั่งฟังครูพูดได้นะอืมยันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใจเย็นๆเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ปุปรับเหมือนอหุงข้าวกดสวิทช์ไฟปั๊บข้าวก็สุกนะเอ่ คำถามจากคุณราชนีกราบนามสการค่ะพระอาจารย์ครั้งหนึ่งเคยไม่สบายหนักก่อนที่จะหมดสติเกิดสภาวะกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งรู้อยู่ส่วนหนึ่งทุกอย่างมีอยู่แต่ไม่เกี่ยวกันสภาวะทรงอยู่ขณะหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นปกติหลังจากนั้นสภาวะดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นอีก อยากเรียนถามว่าจะทําอย่างไรจึงจะเกิดสภาวะดังกล่าวอีกก่อนจะเกิดสภาวะดังกล่าวระหว่างวันหนูจะเจริญสติด้วยการรู้กายรู้ใจและระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเสมอขอพระอาจารย์เมตตาด้วยค่ะก็ทําอย่างนั้นต่อไปเนี่ยเหตุที่ทํำมันเป็นอย่างนั้นเป็นก็เราไม่ทําต่อมันก็ไม่เป็นเลย เหมือนหุงข้าวหม้อที่แล้วกดไฟกดสวิตช์ไว้แต่หม้อใหม่นี้ไม่กดสวิทช์มันก็ไม่สุกเราจะหุงข้าวหม้อใหม่ก็ต้องกดสวิตช์ใหม่ล้างหมอ้อแล้วก็เอาข้าวสารใส่ไปเอาน้ำใส่เข้าไปใหม่แล้วกดสวิตช์เดี๋ยวมันก็สุกเหตุที่ทำให้มันเป็นอย่างไรเราก็ต้องกลับไปทำที่เหตุนั้นไม่ใช่ไปนั่งรอที่ผลกูเคยได้มึงแล้วมึงต้องมาหากูอย่างนี้มันไม่มาหรอก ตต้้องงไปสราเหหุใหม่คำถามจะคุณจินขอบกราบน้ำมศการครับเทวดาพรหมและอบายภูมิทําบุญได้อย่างไรครับออพระภเหล่านี้ก็ไม่ทําบุญเขาเป็นไปที่รับบุญรับบาปภพที่ทําบุญก็ภพมนุษย์เหล่านี้แหละภพมนุษย์นี่เหมือนปั๊มน้ํามันเวลาต้องการเติมน้ํามันเติมอาหารให้คนขับก็ต้องแวะปั๊มน้ํามัน แต่เวลาเดินทางนี่ไม่จอดละไม่ไม่เติมน้ำมันไม่อะไรละอันนี้ก็เหมือนกันเวลามาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเวลาที่เรามาสร้างบาปสร้างบุญแล้วพอตายไปก็เป็นเวลาไปรับผลบุญผลบาปคำถามจากคุณสัญญาเรียนถามพระอาจารย์ครับศีลห้าที่หมด เจตนาจริงๆทุกข้อและไม่ผิดอย่างเด็ดขาดแน่นอนนี่พอจะปฏิบัติเข้าถึงฌานสี่ได้ไหมครับไม่ได้เราต้องต้องศีลแปลขึ้นไปแล้วต้องมีสติด้วยศีลอย่างเดียวไม่มีวันที่จะเข้าฌานได้ <c ười> การที่มีศีลแปลเพื่อเราจะได้มีเวลามาสร้างสติพอเราสร้างสติได้เดี๋ยวเราก็เข้าฌานได้ <c ười> คําถามจากคุณยา ถ้าเรารู้ตัวเองว่าเป็นคนราคะจริตเราจะปฏิบัติธรรมโดยการเพ่งอสุภกรรมฐานโดยตรงเลยไหมครับหรือว่าจะนําหัวข้อกรรมฐานอื่นมาปฏิบัติตามครับราคะจริตมันก็ต้องใจอสุภเท่านั้นเนอะเหมือนปวดหัวต้องกินยาแก้ปวดหัวไม่กินยาแก้ปวดท้องมันก็ไม่หายถ้าเป็นราคะจริตก็ต้องพิจารณาอสุภอสุภก็มีหลายแบบแบบหนักแบบเบา แบบหนักก็ไปดูศพเลยแบบเบาหน่อยก็ดูอวัยวะต่างๆดูกายวิภาคดูอนาตมี่ถ้ายังไม่อยากจะดูของสดๆก็ดูภาพวาดไปก่อนก็ได้ภาพวาดที่เขาวาดอวัยวะต่างๆถ้ายังไม่ถึงใจีนี้ก็ไปดูข้อผ่าศพเลยก็ได้ จะได้เห็นของจริงของชัดเจนแล้วเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ต้องมาเจริญต่อไม่ใช่เห็นปุ๊บแล้วจะบรรลุ ป, ปั๊บเนี่ยเห็นปุ๊บเดี๋ยวมันลืมปับ๊บมันก็หายไปแทนแล้วต้องไม่ให้มันลืมต้องให้มันอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆมันถึงจะควบคุมการมารมได้คำถามจากคุณโสพิษกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ในระหว่างการนั่งภาวนาหลายครั้งที่มีมาเฉลยงานล่วงหน้าไว้ให้ว่าต้องทําอะไรบ้างและพอออกจากการภาวนามาจดไว้ก็ได้งานเยอะเลยอย่างนี้ถือว่าการภาวนาไม่ถูกต้องไหมคะต้องทําอย่างไรต่อไปคะไม่เข้าใจความหมายต้องถามใหม่นี่ในระหว่างการนั่งภาวนาหลายครั้งที่มีมาเฉลยงานล่วงหน้าไว้ให้ว่าต้องทําอะไรบ้าง แล้วพอออกจากการภาวนามาจดไว้ก็ได้งานเยอะเลยอย่างนี้ถือว่าการภาวนาไม่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกหรอกเพราะการภาวนานี่ต้องการไม่ให้มีงานไม่ใช่ให้มีงานเพิ่มถ้ามีงานเพิ่มก็ไม่ใช่การภาวนาการภาวนานี้ต้องการทำใจให้ว่างให้สงบให้ปล่อยวางงานไม่ใช่ไปเพิ่มงานอย่างนี้ก็เรียกภาวนาเพื่อกิเลสไม่ได้ภาวนาเพื่อฆ่ากิเลส การภาวนาของพระเจ้านี้ภาวนาเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อค่าความอยากได้งานได้เงินได้ทองถ้าภาวนาเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาวันนี้เดี๋ยวเลขจะไหนจะออกนี่ภาวนาแบบนี้มันเรียกว่าภาวนาแบบกิเลสไม่ได้ดับทุกข์แต่เป็นการสร้างทุกข์สร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้มีเพิ่มมากขึ้นไปคำถามจักคุณวันนิพพากราบเรียนถามพระอาจารย์ พอจิตเริ่มมีสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิจะเกิดความฟุ้งซ่านมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเจ้าคะมันจะฟุ้งได้ไง่ายนะเมื่อมันสงบถ้าออกจากสมาธิมันก็ยังจะสงบแต่มันจะค่อยๆหายไปแล้วแต่อะไรมากระทบหนักกระทบเบาเหมือนน้ำเย็นที่แช่ในตู้เย็นเวลาออกมาใหม่ๆปุ๊บมันไม่ใช่มาออกจากตู้ปับ๊บมันจะร้อนขึ้นมา ท, าทันทะีมันก็ต้องใช้เวลากว่าที่มันจะร้อนขึ้นมา เวลาอยู่ในสมาธิออกมาสภาวะที่ใหม่ๆ ม, มันก็ยังเย็นเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิแต่มันจะค่อยๆหายไปเพราะมันเริ่มคิดเริ่มโลภเริ่มโกรธเริ่มหลงขึ้นมามันมันก็จะทําให้ใจร้อนถ้าพอมันจะพุ่งเราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่สิเนี่ยการปฏิบัติสมาธิก็เพื่อให้เรามีความสงบ พอมันหายสงบก็ต้องกลับไปใหม่ถ้าเราอยากจะกรักษาความสงบให้มันยืดไปทั้งวันเนี่ยต้องเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกับเอาน้ําออกมากินเสร็จแล้วเราก็กลับเข้าไปในตู้เย็นใช่ไหมต้องไม่เอามาทิ้งไว้ข้างนอกถ้าเราอยากจะกินน้ําเย็นทั้งวันเราก็ต้องเอาเข้าตู้อยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากให้ใจเราสงบอยู่เรื่อยๆก็ต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆออกจากสมาธิมาปั๊บก็ต้องพยายามประครับประคองด้วยสยติมันจะได้ไม่เสื่อมเร็ว แล้วพอกลับเข้าไปมันก็จะกลับเข้าไปได้ง่ายได้เร็วกว่าไม่ใช่ออกมาปั๊บทิ้งสติเลยปล่อยให้ใจคิดโลภโกรธหลงไปเดี๋ยวปั๊บเดียวมันก็ฟุ้งขึ้นมาร้อนขึ้นมาได้คําถามจากคุณแจสมินกราบนำ้ำมศการครับความศรัทธากับความงมงายใช้ธรรมะไหนพิจารณาแยกไม่ให้ศรัทธามากเกินจนงมงายครับ ก็คำว่าศัท ธ, ธามีสองแบบศรัท ธ, ธาแบบงมงายศรัท ธ, ธาแบบมีเหตุมีผลเหตนั้นเราก็ต้องมีศรัท ธ, ธาแบบมีเหตุมีผละเวลาใครก็พูดอะไรพูดแต่ผลถ้าก็ไม่พูดเรื่องเหตุเราก็ต้องถามว่าเหตุเป็นยังไงถึงทําให้ผลนี้เกิดขึ้นมาเมื่อเขาบอกเหตุที่จะทําให้ผลนี้เกิดขึ้นมาทําอย่างนี้เราก็ต้องไปพิสูจน์ดูอีกทีก่อนแล้วเราถึงจะได้ไม่งมงายถ้าเขาบอกว่า ผลเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่บอกเหตุแล้วเราก็เชื่อนี่เรียกว่างมงายเมื่อเช้านี้มีญาติโยมมามาเล่าว่ามีปัญหามีปัญหาเรื่องภายในมีเรื่องปีศาจพูดผีอะไรมาก่อกวนแต่ว่าไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องเราคิดไปเองบุงแต่งเขาไม่ยอมเชื่อขอน้าไปหน่อยเอาขอนา้า ก่อนจะให้น้ำสวดบทแผ่เมตตาเกาหน่อยโอ้ดีใจใหญ่นี่นเชื่อแบบงมงายสับเปสตาเวลาหอนตุให้กับกวดน้ำไปโอ่ดีใจได้น้ำไปปราบปีศาจแล้ว <c oughs> นี่นเชื่อแบบงมงายบอกด้วยเหตุผลกับไม่ยอมเชื่อนี่ขนาดบอกได้เหตุผลบอกไม่มีก็ไม่เชื่อแล้วก็สังใจว่าเขาถูกปีศพปีศาจมีมินยงวิญญาณอะไรมา มาลังควานเขาทำให้ชีวิตเขาไม่สงบไมว่วุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เลยเราบอกไม่มีเรอมันเป็นเรื่องกรรมไม่ฟังขอน้ำไปเอา้าขอน้ำแล้วมาขอให้ปลุกเสก็จเสด็จแหน่อยเอาสวดบทแผเมตตาหน่อยโอทีนี้ดีจะ ย, ยิ้มแป้นเนียนี่เรียกว่า ง, งมงายจะทาไงสอนด้เหตุด้วยผล่ล็ไม่เอาจะเอางงมงายก็ก็เอาไปให้ทั้งสองอย่าง แต่ให้เหตุผลก่อนให้ของจริงก่อนถ้าไม่ต้องการของจริงยาวของปลอมก็เอาไป <laughs> คําถามจากคุณสาวนุย้ยการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยความคิดว่าเราทําตามหน้าที่มีเจตนาอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญไหมคะเป็นบุญการรับใช้ผู้อื่นถึงแม้จะเป็นหน้าที่แล้วไม่หน้าที่ก็ตามก็เป็นบุญเพราะเรา ทำประโยชน์ให้แก่ผู้นด้วยการเสียสละเวลาและทรัพย์สินของเราก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งหมดแล้วเหรอสามคำถา ม, ามค่ะคำถามไปเรื่อยๆคะคำถามจะคุณไพฑูรย์กรามนมาสการเรียนถามพระอาจารย์ครับเป็นการสมควรหรือไม่ที่นำเอามหารสบต่างๆมาเล่นภายในบริเวณวัดเช่นหนัง มวยหมอลำดนตรีหรือรำวงชาวบ้านที่นุ่งน้อยห่มน้อยซึ่งอ้างว่าเป็นการสมโพธ์และหาเงินเข้าวัดครับมันก็สมควรสำหรับวัดเขาแหละถ้าไม่สมควรก็คงไม่จัดหรอกถ้าถามว่าสมควรตามหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่สมควรหรอกเพราะวัดต้องเป็นที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเป็นที่พัฒนาจิตใจเป็นที่สร้างทรัพย์ภัยหน่อย แต่วัดสมัยนี้หลงกับการสร้างทรัพย์ภายนอกไปเสียแล้วอยากจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อยากจะพัฒนาวัดให้สวยงามเห็นไหมเดี๋ยวนี้วัดสวยงามไหแต่ละวัดนี้เหมือนเป็นวังขึ้นมานล้วแต่ไม่มีการส่งเสริมเรื่องการสร้างทรัพย์ภายในเลยมันก็เลยเป็นไปตาม อ, อตามอะไรตามสมัยก็แล้วกันยุคนี้สมัยนี้ วัดวาลามห่างจากแก่นของาศาสนาไปอยู่กับเปลือกมันก็เลยได้เปลือกมาแทนที่จะได้แก่นคำถามจากคุณสุโรธบวชหน้าไฟให้คนตายคนตายจะได้บุญไหมครับออไม่น่าจะได้นะเพราะว่าคนตายจะได้บุญก็บุญที่เกิดจากการทำทานจะมากกว่าทำทานนี้เป็นบุญเป็นฟาสฟูดทันที การบวชนี้เป็นเหมือนกับอาหารที่ต้องใช้เวลาปรุงเวลาทำปรุงอาหารยังไม่ทันสุกก็ศึกซะแล้วบวชเช้าศึกเย็นถ้าบวชแล้วบรรลุเป็นโสดาบันนี้ก็อาจจะได้คนตายอาจจะได้บุญเพราะจะได้ไปสอนคนตายให้บรรลุทำได้แต่ถ้าบวชเช้าศึกเย็นนะ้่คิดว่าคงอยังบุญยังไม่เกิดพงอ่าย สู้ถาวายสังฆทานดีกว่าถาวายสังฆทานบุญเกิดเถอะแล้วก็อุทิศบุญให้คนตายได้เลยคำถามที่คุณแอ g เจรบกวนสอบถามพระอาจารย์แม่ชีถือศีลแปดเหมือนแม่ออกอันนี้สง์เท่ากันหรือไม่คะ ถ้าเท่ากันนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกการบวชชีมีคุณประโยชน์กว่าอย่างไรก็ต่างกันที่ไม่ออกมาจากแค่รักษาแค่วันเดียวอาทิตย์ละวันอุบาสกวิสาอุบาสกาอุบาสิกาเขายังมีภารกิจการทํางานอยู่เขาก็เลยมาถือศีลในวันอุโบสถรักษาศีลแปดไปเพียงวันเดียวมันอยู่ที่ว่าจะต่างกันไม่ต่างกันก็อยู่ที่ว่ารักษาเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะ ถ้ารักษาเท่ากันมันก็เท่ากันนะแต่ถ้ารักษาไม่เท่ากันคนที่รักษามากกว่ามันก็ต้องได้อ น, นิสงประโยชน์มากกว่าคำถามจากุณนักิจกล้ากระผมอยากถามว่าควรวางใจทำใจอย่างไรเมื่อต้องเจอ ต้องพบกับคนพานช่วยคนพานเหมือนช่วยงูเหา่าคบกับคนพานเขาก็จะพาเราไปทำไม่ดีกับเขาโดยที่เราก็ไม่อยากทำหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรระมัดระวังอย่างไรดีขอรับก็ทำในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมถ้าต้องทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมก็ต้องปฏิเสธไปถ้าต้องเลิกคบค้าสมาคมก็ควรจะเลิก เพราะว่าเสียเสียเพื่อนดีกว่าเสียตนเสียตนนีแ่แก้ยากกว่าเสียเพื่อนเสียเพื่อนคนนี้หาเพื่อนใหม่ได้ง่ายกว่าแต่เสียตัวเสียความดีในตัวเรานี่แก้ยากกว่าอั้นพยายามรักษาความดีในตัวเราดีกว่าอย่าไปเกงใจเพื่อนอย่าไปเสียดายเพื่อนเพื่อนมีเป็นแสนเป็นล้านไหมคนในโลกนี้หาคนที่ดีไม่ได้เชียวเลยคำถามจากคุณวันนิภา กราบเรียนถามพระอาจารย์มนุษย์เป็นภพภูมิที่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วทําไมคนถึงอยากปฏิบัติให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นอย่างอื่นทําไมคนถึงไม่คิดว่าการเกิดได้เป็นมนุษย์แล้วถือเป็นโอกาสทองที่จะได้ปฏิบัติตรงไปถึงจนถึงนิพพานเลยเจ้าคะเพราะเขาไม่รู้เหมือนเรานี่ยเลยถ้วเรา่ะเรารู้แล้วเราจะไปหรือเปล่า ชอบไปดูคนอื่นนะมัไม่ดูตัวเราเองบ้างแล้วเราจะไปไหนล่ะถามตัวเองบ้างหรืเปล่าคอยไปดูคนอื่นว่าจะไปนู่นไปนี่แล้วตัวเราเราจะไปไหนคนจะถามตัวเรามากกว่าคนจะสนใจเรื่องเรามากกว่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านมันเกิดประโยชน์อะไรกับเราล่ะคำถามจ้าคุณนัทพัฒนลูกบวชเนหน้าร้อนได้บุญไหมคะได้ก็บวชเนรกั็รักษาศีลเนี่ย คำถามหมดแล้วค่ะอ่าดีหมดแล้วจะได้ปิดรายการมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็เอาแค่นี้ละนะขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฝังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์น